ท่านประโยค้าวาจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วต่อไปจงทั้ทํารวมใจตั้งใจสนดับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐาน ขณะที่นั่นท่านฟังอยู่เสียงดินหูดยินเสียงทุกพ่อคาจิตมีความรู้สึกไปตามกระแสเสียงโดยไม่จิตไปส่งใารมณ์อย่างอื่นอย่างนี้ชีอว่าอารมณ์ของท่านส่งสมาธิการส่งสมาธิเพื่อการรับฟังเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญา ในบริการหนึ่งขณะใดาที่ท่านตั้งใจฟังเสียงธรรมะซึ่งไม่มีอารมณ์อื่นมารบกวนขณะ น, นั้นชื่อว่าจิตของท่านว่างจากกิเลสถ้าบังเอิญจิตของท่านว่างจากกิเลสจากหูเรื่องจากหูฟังเสียงธรรมะอยู่เสมอๆต่อไปอารมณ์จิตจะชิน จะมีอรมว่างจากกิเลสจนชินในที่สุดกิเลสก็จะหมดไปจากจิตของท่านตามที่พระาาพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสุดสูดสังนะปะเตปัญญาการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฉะนั้นเวลาที่ท่านฟังจงตั้งใจฟังด้วยความสงบถ้าบังเอิญจะมีกำไรยิ่งไปกว่านั้น เวลาที่ท่านฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยเอาจิตน้อมยอมรับเหตุผลในการรับฟังแต่แต่ว่าอย่ารับด้วยการไร้ปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยว่าจริงหรือไม่จริงถ้าว่าทำได้าายอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและพิสุเสมาเนทุกท่าน ถ้าว่าท่านมีกำลังพอจิตพอและก็ไม่ละอารมณ์แบบนี้ความเป็นพระอริยเจา้าย่อมง่ายสำหรับท่านเพราะว่าการฟังทุกวันขณะที่ฟังตั้งใจฟังในความเคารพจงคิดว่าเสียงที่ได้ฟังนี้ เป็นเสียงที่นำเอาว่าทําคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระจินทสีสัมมาสัพพุทธเจ้ามาสอนและจงจำไว้ให้ดีว่าเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าจะนิพพานทรงตรัสแกพระนนท์ว่าอานันท์ดูก่อนอนนนท์เมื่อเรานิพพานไปแล้วก็ทำวินัยที่เราสอนเธอจะ ที่เราพระธรรมวินัยที่เราสอนไว้จะเป็นศาสดาสอนเธอคําว่าศาสดาลิบแต้วครูเป็นนั้นว่าเสียงที่ฟังอยู่จงคิดว่านี่เป็นกระแสะเสียงขององค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ความจริงและจงอย่านึกว่าแตมาเป็นผทธเจ้าเสียเอง เราคิดอย่างนั้นคิดว่านี่เป็นเสียงของพระพุทธเจา้าและธรรมะนี่เป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้ากำลังสอนเราโดยตรงโดยน้อมจิตเข้าไปนึกถึงองค์สมเด็จพระสมัสมมาสัมพุทธเจา้าว่าเวลานี้กำลังประทับอยู่จะพรั่หน้าของเราแน่นก็กำลังพูดกับเราโดยตรงจิตจะชื่นบานแล้วก็ตั้งสันดับ สร้างใจสนับฟังเสียงนั้นแล้วก็คิดตามแล้วจึงคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่เกินวิสัยสาหรับเราถ้าเกินวิสัยแล้วองค์สมเด็จพระบทิพย์แก้วไม่สอนเราสร้างความธรรมปีติให้เกิดในใจสร้างความก็สร้างกำลังใจคิดว่าเราสามารถสมเด็จพระบรมาโล ก, กันนาจริงโปรด ถ้าคิดไวอย่างนี้เสมอบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดไว้ฟังบ่อยๆถ้ามีเทปเสมอฟังฟังไม่ได้เรื่อยขณะที่ฟังขณะใดใจตั้งอยู่ในการฟังตั้งใจฟังจิตจะว่างจากจิเลสถ้ามันว่างบ่อยๆเพราะจิตเราไม่คบกิเลสกิเลสมันก็ไม่อยากคบกับจิตของเรา ในที่สุดจิตของเราก็จะกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ความควกลายเป็นผู้หมดกิเลสไปอะไรสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเอาปรมวิิาณสีมาแนะนำกัรดาท่านพุทธบริสัทธ์ตามกำลังปัญญาการแนะนำกันนี้จงอยาคิดว่าเป็นการแนะนำละเอียดละออ ความจริงใช้เวลาอย่างนั้นไม่ได้ถ้าใจะใช้ได้ท่านฟังตั้งแต่บังเกิดถึงวันตายเรื่องโทมิหันสี่ก็ไม่จบแต่การฟังนี้ก็ถือว่าเป็นการให้รับฟังเพื่อใช้ปัญญาเท่านั้นด้วยใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยฟังด้วย ไม่ใช่ก็้จากอยู่ๆก็จะมานั่งสอนกัน จ, จนจบอรหันในวันนี้แต่ก็ว่าไม่ได้คนที่รับฟังอยู่มีทั้งคนดีและก็คนไม่ดีคนดีฟังแล้วเกิดปัญญาใช้ปัญญาเพี่ขาดขินฆ่ากิเลตก็ไปขอไม่หนัก แต่ว่าสำหรับคนไม่ดีฟังแล้วมีหูก็แค่ก็หูกะทะมีตาเหมือนตายจะทูถ้ามีเพราะอะไรตายจะทูมองอะไรไม่เห็นหูกะทะฟังมาฟังอะไรไม่ได้ยินสำหรับคนตามองเห็นหูฟังได้ยินแต่ไม่สนใจกับเสียงที่ฟัง คนประเภทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าไม่ทรงโปรโดเพราะว่าโปรโดมากเท่าไรคนประเภทนี้ก็ลงนรกมากเท่านั้นดันั้นบรรดาท่านหลายจะพิสูจน์ตัวของท่านได้ว่าท่านรับฟังกันทุกวันวันลหลายครั้งท่านเล่ท่านละความเลวได้มากกันน้อยเพียงใดจิตใจของท่านดีและ ว, ว่าจิตใจของท่านเลว ต่อไปนี้ธรรมะในได้เขางขามีหานสี่เป็นเครื่องวัด จ, จิตใจวัาดีมากและวัาเร็วมากคำว่าพรมวิหารวิหาระนี่ก็แปลว่าที่อยู่อรมนี่แปลว่าประเสริฐหมายความว่าเอาใจไปจับอยู่ในอารมณ์เป็นความประเสริฐ เราเอาใจไปค้งไว้ในความดีที่สุดที่เรียกเข้ามาประเสริฐประเสริฐีนประวัติดีที่สุดรมวิหารมีสี่อย่างคือหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารสามโมทุตามีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาริสัญญาใครสี่อุเบกขาวางเฉย ความจริงพรมิหารสี่นี่เป็นธรรมะกลางที่ว่ากลางก็เพราะว่าถ้าบุคคลใดมีอารมณ์ใจทรงอยู่ในพรมวิหารสี่เป็นปกติบุคคลนั้นจะมีศีลบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาจะมีจิตทรงฌานอยู่ตลอดเวลา แล้วก็จะเป็นคนมีความฉลาดในด้านปัญญาสามารถไต่กิเลสเป็นสมุทเฉติวิหารได้โดยง่ายถ้าจะกล่าวกัว่ากรรมฐ า, านบทนี้เป็นกรรมฐ า, านใหญ่ก็ว่าได้เรี่กลกันโดยในหนึ่งก็ถือว่าปรมาิหารศีลเป็นอาหารอาหารเลี้ยงศีลให้อ่อนมีกําลัง เป็นอาหารเลี้ยงสมาธิให้มีกำลังอาหารเลี้ยงปัญญายให้มีคมกล้า ส, สา ม, มารถจะฟันปร ะ, น ะ, นประันจะฟาดฟันกิเลสให้เป็นสมุทเทตาาระหัรเมรัยก็ได้นึ่นขอบนรดาท่านพุทธบริสัทธท่านหลายท่านจะดีหรือว่าท่านจะเลวท่านจะเป็นคนหรือว่าท่านจะเป็นมนุษย์ ความจริงมนุษย์นี่เขาแยกไวหลายอย่างคำว่ามนุษย์โสแปลว่าผู้มีใจสูงมีศีลบริสุทธิ์แล้วมีกรรมบทตสิบบริสุทธิ์มนุษย์สเทโสร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่ากำลังใจเป็นสุวรรดาคือมีฮิริโอตระปามนุษย์สภร ม, ม า, ม า, ามร่างกายเป็นมนุษย์ แใจใจประกอบไปด้วยพรมีหัรสี่อย่างนี้ตายและเป็นพรหมแล้วก็มนุสสติรชาโนร่างกายเป็นมนุษย์ใจไม่ยอมมาเคารพนับถือในสิทธิสิ่งกันอะไรกันขาดความเมตตาปราณีร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นสติรชานตายและเป็นสติริชานมนุษย์มนุษย์ นิรยกโกมนุษย์สัตว์นรกหมายความว่าคนประเภทนี้หาความดีอะไรไม่ได้ไม่มีความรู้สึกตัว <c oughs> ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วขาดความเมตตาปราณีคนประเภทนี้ร่างกายเป็นมนุษย์ชายเป็นสัตว์นรกตายแล้วก็เป็นสัตว์นรกในหมู่คณะของเราจะพอมีอยู่บ้างไหม ที่อยู่กันมาแล้วหลายหลายปียังไม่หมดความเลวยังบูชาความเลวว่าเป็นความดีเข้ากับคนนั้นก็ไม่ได้เข้ากับคนนี้ก็ไม่ได้เทอ่รมใจตัวเป็นสาคัญถ้าเรามีความเลวอย่างนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาจำไว้ว่าถ้าเราตายคราวนี้อีกหลายแสงกับ ที่จะได้กลับมาเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นมนุษย์อยินหลายแสนวาระที่จะเป็นมนุษย์สมบูรณ์บริบูรณ์จะต้องเป็นมนุษย์ที่เต็มด้วยความยากลําบากยากแท้นมีด้วยความทุกข์กระทมอนัตย์อยู่ตลอดเวลาถ้าบังเ อ, อิญจะมีกลับเนื้อกลับตัวเสียจะได้เป็นคนกับเขา บ, บ้าง ถ้าเป็นคนมันก็ยังยุ่งเกิดมาในโลกกรกโลกถ้าเป็นมนุษย์ก็ยังสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่มีความดีอะไรยังมีทุกข์ไปเป็นเทวินดาหรือพรหมก็พักพักทุกข์แต่พักทุกข์เล็กน้อยไม่ใชาก็มาทุกข์ใหม่ทุกคนเขาตั้งใจไปนิพพานกัน แต่เราทำไมตั้งใจเป็นสัตว์นรกหรือเป็นสัตว์เปลืชาฉนมันจะมีประโยชน์อะไรตอนนี้ก็ฟังกันพระพรมวิหารสี่นี่ความจริงไม่ต้องอธิบายก็ได้แต่ถือว่าเวลานี้ถือว่าเป็นการแนะนำกรรมฐานรวมอันดับแรกที่ก่อนที่จะทรงพรมวิหารสี่ หรือว่าทำกรรมาฐานทุกกองก็จงอย่าทิ้งอนาปานุสติกรรมาฐานกับพุทธานุสติกรรมาฐานแม้แต่กำลังฟังอยู่นี่ก็เช่นเดียวกันควรจะกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกไปด้วยและก็ตั้งใจฟัง เวลาฟังก็คิดว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังทรงประทับอยู่ข้างหน้าของเราสมเด็จพระพูทมีพระพาเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณมาหาเราถึงที่อยู่และการแสเสียงขององค์สมเด็จพระบรมครูก็กล้องอยู่ในโสตประสาท ความดีพระองค์สมเด็จพระบรมรูปโลกก็น่ายากที่เราจะบูชาให้คารบทวนตั้งใจว่าอย่างนี้นะตั้งใจว่อย่างนั้นคิดว่าเสียงนี้เป็นเสียงของพระพุทธเจา้าและก็พระองค์กำลังไว้ทับอยู่ข้างหน้าของเราใจจะได้เป็นสุขจะได้มีอารมชุ่มชื่นที่ไม่ใช่จะ ม, มาจะมาอวดตัวเองเป็นพระพุทธเจา้ามาช่อย่างนั้น เมื่อการทำใจอย่างนี้จิตใจมันสบายมีความสุขแล้วจิตจะหมดกิเลสได้ง่ายต่อไปก็มาฟังพรมวิหารสี่คือหนึ่งเมตตาความรักคำว่าความรักในที่นี้ไม่ได้หมายว่าความรักที่ประกอบพฤติกร ร, กรมาคุณเหมอนหนุ่มรักสาวสาวรักหนุ่ม แล้หญิงรักชายชายรักหญิงปรารถนาอยากครองคู่นั่นเป็นเรื่องความรักเกี่ยวราคะเ้าน่ายชง่วจเลสไม่ใช่ผมมามีหารสี่ที่เรามีความรักกับะวาใจของเราเป็นคนใจดีมีเมตความเมตตาปราณีมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าคนและสัต ด้วยคนทุกคนในโลกแม้แต่สัตว์เดรัจฉานที่เกิดมานี่มีความรู้สึกเสมอกันรักสุขเกลียดทุกเหมือนกันหมดเรามีความรักสุขชั้นใดเขาก็มีความรักสุขชั้นนั้นสำหรับเวตาความรักต้องอยู่ในขอบเขตของความดี อย่ารักแบบโง่ในคณะของเราเ น, นี่ยนี่ทั้งฆรวาสก็ดีพระก็ดีที่มีเมตตาแบบโง่นี่มีอยู่ผมสลดใจมากคือว่าบางทีเห็นพระบางองค์เห็นฆราวาดบางคน พอฟังเสียงพูดในคำสงสัยก็รู้สึกเสียดายแรงที่เสาที่สั่งสอนเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เขาได้ดีกันเนะ่เขาฟังแล้วก็คิดคิดแล้วก็จำไม่ใช่จะมานั่งหน้าตั้งหน้าตั้งตาสงสัยปัญญามีเพียงแค่ของเล็กๆนน้อยก็ไม่รู้จักจะคิด นี่น่าเสนยดายสงสารองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรที่ทรงทรมานประกายมาตั้งเสียสงไขกับแสนกลับรวบรวมความดีมาเพื่อแกกจกจ่ายกับรรดาท่านพุทธบริษัทแล้วผมเองผมก็เส่นดายแรงงานของผมเหมือนกันเพราะตัวผมเองไม่เคยเริญแบบนี้ ฟังคำสอนจอาจารย์นิดหนึ่งก็ไปฏปฏิบัติให้ได้ถ้าไม่ได้เกินวิสัยก็มาถามหน่อยหนึ่งแล้วก็กลับไปทำทำเท่าเสียงนั้นยังไม่ได้จะไม่ยอมกลับมาหาครูบาอาจารย์อย่างกับบรรดาท่านหลายที่สงสัยว่าจำภาพพระพุทธรูปลืมตาแล้วก็หลับตานึกถึงภาพ ภาพมันเลือนไปแล้วก็ลืมตามาดมูใหม่แค่นี้ก็ยังสงสัยกันว่าทำไมภาพนั้นจัง น, นึกเห็นเห็นไม่ชัดมันก็สิ่งที่ไม่น่าจะถามถ้าใช้คำถามอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นบรม ง, งูมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เด็กกรมือก็พอจะรู้การจะจำภาพจะ น, นึกถึงภาพอะไรก็ตาม อยู่อย่จะให้อารมณ์มันจ่มใสจำได้ถนัดไม่ได้ถ้าฝึกฝนเรื่อยๆไปอารมณ์นั้นมันก็ปรากฏวันเวลาตั้งแต่ตื่นอยู่ถึงหลับจงอย่าทิ้งอารมณ์นั้นทำอารมณ์ให้มันชินคิดถึงภาพนึกว่าในสมัยที่เราเคยรักใครเป็นซึ่งเป็นคู่รักเวลาหลับ ตาก็เห็นลืมตายกอนนึกเห็นภาพหรือว่าถ้าเรามีบ้านอยู่เราจากบ้านไปไหนเวลานึกถึงบ้านขึ้นมาเมื่อไรมันก็นึกเป็นภาพบ้านเหมือนนั้นจิตใจของเราไม่ลืมเลือนไม่ปล่อยสติสตังให้มันพลั้งเผลอนี่เขาทำกันอย่างนี้มันเป็ของธรรมดาธรรมดาสำหรับด้านอารมณ์เมตตานี่ก็เหมือนกัน ให้ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงใ้เรื่องเมตตานี่มีความสำคัญถ้าเมตตาแบบโง่ๆมันมีภัยแก่ตัวเองเยี่าลืมว่าคนที่เราจะต้องเมตตานะ่ะพระพุทธเจ้าแบ่งคนมาเป็นสี่พวกเพื่อหนึ่งอุกติตัญโยคนมีปัญญาดีสองวิปติตรญโวปัญญาต่ำมานิดหนึ่งสามเนยยะ อันนี้คนสารย่ำพวกนี้พระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแต่พวกปัทะธรรมะเอาดีไม่ได้นี่องค์สมเด็จไปจอมไตรยทรงสเด็จลีไม่ทรงสั่งสอนแท็ถือว่าโครงขาดเมตตาไม่ได้ทั้งนี้พร่อะไร่พระสอนเขาเขาก็ไม่รับฟังสําหรับพวกเราก็ไมนกัน ถ้าจะแสดงเมตตาจิตก็ดูซะก่อนว่าคนประเภทนั้นเราควรจะเมตตาไหมแค่เห็นว่าแนะนำแล้วมไม่เดกผลก็จงอย่าสงเคาะคนประเภทนั้นหลีกไปเสียอย่างพระพุทธเจ้าทรงหลีกตัวอย่างก็มีอุปการชีวกเป็นต้นเขาพบองค์สมเด็จพระทศพลก่อนใครทั้งหมด แต่ถ้าว่าเขาไม่เลื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมสุคตไม่เชื่อพระสัพนยูสมเด็จพระบรมครูก็ไม่ส่งสั่งสอนไม่ดูเป็นตัวอย่างไม่ใช่ใครไปใครมาก็เมตตาเช่นดักเมตตาโง่ๆแบบนั้นจะสร้างความเดือดร้อนเหมือนกับเราจะให้ของเขาเขาไม่รับไปให้เขาทาไม ไม่ต้องไปอ้อนวอนไม่ต้องไปแคล้งเขาให้ครับเห้พฤตการหนึ่งวันเวลากำหนดระเบียบในเป็นของสำคัญจงอย่าเมตตาคนเกินกว่าระเบียบหนดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศ า, ศาสดามีพระมหากราุณาไม่มีขอบเขต แต่องค์สมเด็จพระบรมโลกเกชกวางวินัยไว้ลงโทษพระลงโทษห น, นึ่งทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีระเบียบวินัยคนนั้นเราเมตตาไม่ได้เพราะเป็นคนเลวพระพุทธเจ้าทรงวางวินัยไว้กี่พันข้อสองร้อยี่สิบเจ็ดี่มันยังไม่หมด ยังมีส่วนในพิชฌาจารย์บ้างยังมีส่วนธรรมะบ้างที่พระองค์ทรงห้ามนี่เป็นอันว่าพระพุทธเจา้ามีพระมหารกรุณาที่คนก็จริงแหละแต่ทว่าทรงเลือกเอาแต่เฉพาะคนดีเท่านั้นไม่ใช่คนเลวพอทำที่เมตตาของเราเหมือนกันใครจะมาจากไหนก็ช่าง จะมียศธรรมบรรดาศักดฐานะเช่นใดก็ช่างถ้าผิดแล้วอย่าพินัยอันนี้เราจงถือว่านั่นเขาเป็นคนเลวไม่ควรแกการเมตตาจำมาให้ดีนะแม้แต่พระก็ไม่กันพระที่บวชอยู่บรสถานีเนะี่ยบางองค์ก็ลืมตัวไปก็มีจงระวังให้ดีนะว่าเราเป็นพระ ถ้าหาว่าผิดถ้าทำไม่ดีในเกินไปผมก็จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าทรงขับพระวักกะลิได้ฉันใดผมก็จะขับทั้งพระทั้งคนที่ไม่รักระเบียบในเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันนี่เป็นอันว่าเมทตาเราต้องมีขอบเขตคือเมตตาเฉพาะคนดี ไม่ใช่ไปเมตตาคนเลวไอ้คนเลวแต่ถ้าหากว่าจะดีได้เราเมตตาได้ถ้าอย่างพวกเราที่อยู่ในที่นี้รับฟังกอยู่นตลอดเวลาอย่างเลวแล้วก็ไม่ต้องเมตตาแล้วคำสั่งคำเดียวคือไปจากที่นี้แล้วก็ต้องไป ท, ทันทีเพราะการที่จะติดตามสั่งสอนกันไม่มีอีกแล้วนี่เป็นอันว่าขอบเขตของการเมตตาปราณีนี่มีอยู่ ไม่ใช่ศัก์แต่ว่าไม่ตาใครจะมาจากไหนก็ช่างในเมื่อเข้ามาในขอบเขตนี้จะต้องอยู่ในระเบียบทุริยาบทจะถือว่าเป็นแขกมาไม่รู้ไม่ได้ถ้าคนดีนี่เขาต้องเคารพในระเบียบวินัยของสถานที่สถานที่ จะถือว่าอยู่ที่บ้านฉันใช่ไม่ได้ทำอย่างนี้ที่โน่นไม่ทำอย่างนั้นนั่นมันที่อื่นไม่ใช่ที่นี่ถ้าคนไม่นักกระบี่ ว, วิวนัยจงยาปราณีช่วยกันจัดการไปคนที่ทันทีโดยไม่ต้องบอกผมก็ได้แต่คนประเภทนี้เป็นคนเลวนี่ราการหนึ่งคนพูดมากปากพร่อย ทำลายศรัทธาของคนพระก็มีคนก็เหมือนกันมีบางไหมพระของเราที่มีปากเลวๆไม่ได้ใช้ปัญญาคือพูดก่อนคิดใครเขาทำอะไรผิดใครเขาทำอะไรถูกต้องคิดว่าถ้าเขาทำด้วยเจตนาดีอันนี้เราก็ควรจะให้อภัยการฟางพลงาดเป็นของธรรมดา การมีความรู้สึกให้อภัยสิ่งกันและกันรู้สึกสงสารในการแปางพลาดทาั้งทั้งที่เขาทำด้วยเจตนาดีแต่ว่ามันผิดไปบ้างอันนี้ก็ต้องมีจิตให้อภัยอย่างดีที่สุดคือคนจะปลอกกำลังใจว่าเราทำผิดไปแล้ววันหน้าความดียังมีอยู่ถ้าเราเป็นสาวกของคอง์สมเด็จพระบรมครู เราก็ควรจะยับยั้งตั้งต้นใช้ปัญญาเสียใหม่ที่สำหรับนี่เราก็ควรจะได้คงจะได้กันในเป็นองขอบเขตของการเมตตาเท่านั้นแล้วความจริงแล้วก็เรื่องเมตตานี่ไม่ต้องสอนกันก็ได้แต่ว่าไม่สอนก็เห็นจะไม่ไหวเพราะว่าทั้งเก่าทั้งใหม่มองมองดูแล้วบางท่านก็ดีแทนดี แต่บางคนก็เลวแสนเลยเพราะไม่มีความรู้สึกสํานึกในตัวบางคนอยู่กับผมมาตั้งสิบปีก็ยังดีไม่ได้พอ ม, มนีนี่คนประเภทนี้เขาเรียกว่ามนุษย์สเปโตคือมนุษย์เปรตหือมนุษย์สติไร้ชานโนมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสติไร้ชาแนเราจะสังเกตได้ว่าการเลี้ยงสัตว์ แต่คนใดคิดว ma, ่าหมาไม่จาเป็นต้องกินดีคนประเภทนี้ขาดความเมตตาปราณีอ e ย่างนี a, ้เขาเรียกมนุสติริชาโนแค่เป็นมนุษ e ย์สถิร e, ิชาโนหรือมนุษย์เปรตโตกายเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตหรือมนุษย์นิรยักโกใจเป็นมนุษย์แม้ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์นรก อราบันดาท่านพู้ถืบริษัทและพโยคาวาจรทั้งหลายวันนี้เรกาก็ได้การเป็นขอบเขตของความเมตตาเท่านั้นแต่ยังไม่หมดแต่เวลามันหมดต่อตัวนี้ไปอารันดาท่นานผู้ถืบริษัททั้งหลาย จ, จึงกำหนดใจตังจ้งอยู่ในความดีโดยเฉพาะอย่ า, ยางยิ่งสำมโธจสินให้บริสุทธิ์ ว่าตั้งแต่ช้าจนทึเวลานี้เรามีความบกกร้องในศีลมากหรือเปล่าเรื่การที่สองสั่งโดยกำลังใจของเราว่าเรามีความเรื่มใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับพระอริยสงฆ์หรือเปล่าเรื่การที่สนึกถึงความตายหรือเปล่าเรื่การที่สเห็นว่าโลกเป็นทุกข์หาความสุขไม่ได้ใจรักคนอีกานหรือเปล่า ถ้าบก่องจุดใดจุดหนึ่งถ้าสายกำลังใจจุดนั้นในสมบูรณ์จะมีความสุขนั่นคือความเป็นพระอริยเจ้าตอนนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายใหต้ตรงดำรงจิตให้มัน่นกาหนดรู้ลมหายใจเข้าใช้ออกใช้คำภาว น, นาเลอพิจรารณาตามทธยาสายจนกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นสงควรจะเลิกสวัสดี